ในมงคลสูตท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออาเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเสวนาแปลความก็ว่า การมาคบคนพานท่านดานอยากการครบบัณฑิตนผู้คู่ทชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคารมุตตะมังท่านเราเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเย็นมาคบคนพานทาา่านดานอยานอกนอกๆไปโน้นนั่นก็ถูก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 เป็นแต่เพียงเาะว่าแตครบค น, นผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราครบคนคนทานภายในนั้นเราไม่ทราบว่าครบกันมาเท่าไหร่ครบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทถึงทงบัตรนี้คนทานภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นผานคอยจิตกันคอยจุดล่าก คือกิจการกิจ ก, กันในทางที่ดีของเราให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั่นมาขัดข้องหาเรื่องนี่มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าทานภายในคำา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 เราค็ยังมีความสนิทกับทานขังเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีทานเราคบกับคนทานคือความคิดการกระทำของเราที่เราไมา่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าทานภายนในแต่พยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนอยากส่วนกลาง ส่วนลเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสังสมทุกขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าผ่านนี่เราก็ตีขนแหนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบ ความคิดเช่นนี้ให้เห็นว่าความคิดเช่นนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับทานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบหมดคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในทานภายนอกก็เข้าใจพยายามดลีกเว้นทานภายในก็เข้าใจพยายามหลีเส้นกีดกันความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย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 และให้อว่าต่งสอนนิ้นอุบายต่างๆจะเป็นรากเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบบตู้พักไกลปีฎดกมาก็ตามในหัดความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสาคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็น สิ่งที่ชักรูงให้คนอื่นได้รับความถลุกความสบายเป็นความถูุกต้องในนามไปด้วยมีตนเป็นสำคัญเป็นผู้ให้อุบายมีทั้งเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แต่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคง้มนาความดีจากตน แต่พื้น่คุณนำความดีขึ้นไปจปนกระทา่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของตนเป็นลําดับๆเป็นทันทันของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชเป็นทั้นทันไปจนกรทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นเองเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนิมุติเรียกว่าจอมปราทที่นี่นะ เลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราดได้แก็บผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระรหัสสิ้นชีวิตราสวะตถุปกานทั้งปูนนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังในครบคนทานทั้งคนผ่านภายนอกทั้งคนผ่านภายในัณฑิตานันจะเสวนาในครบบัณฑิตนักปราดผู้เฉลียวฉลาด ทั้งภายนอกและภ า, ายในพยายามปรัตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสึบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตป่าให้คบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับต่าง ๆ, ๆเอตมังคารมุตตมังท่านเรียกว่าเป็นวงกลอันสูงสุดนีกข้อนี้ ข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะดัชนนางเอตัมมังคันมุตตังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเรีก่ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดยียวกันผมว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มีสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคามี สมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี่ได้แก่พระระหังการเห็นสมณะเหล่า น, นี้ที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด น, นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกนละพย า, ายามทำให้แจ้มซึ่งมากผลทั้งสี่นั้น คือสมณะทั้งสี่นั้นได้แกพระโสดาสกิท า, า, าอาณาคาระหัตับผลขึ้นภานในจิตใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทาให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุด ในมงคลเทีที่ในมคลลัทธิที่การแสดงว่านี่มีแต่ทำส้ำคันซ้ขันทางนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเปินเี่ยงกันเนี่ยที่เทวดาทั้งหลายเปิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยทิงพากันมา ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าโดยจัดสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถที้แจมอักธำนุปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ค้องใจทั้งหลายจพืงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตามห ม, มคุณสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้น แต่เวลาท่านสูตรมวลท่านยกเ อ, เยอเิียฉมะเสวนาจะร บ, บาลังเลื่อยมาเลยทํามากราถึงพวกเทวดาทั้งหลายมาจากโน่นจากนี้มากมายกายกองล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื่อเนืน้อคือมงคลสุดสามสิ3แปดประการนี้มาแสดงมงคลสามสิแปดประการนี้เป็น คุณแจกเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเรื่องตลอดมาจนกระทั่งจนตัวนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับจิตนิสัยของเราให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่คบคนทานและควบบัญญิติการเห็นสมณะ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 ได้สำเร็จมาผลนิพพานจนํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาเราเชื่อกล่าวไว้ในสูตรต่างๆเทวดามาฟังเทศพระพูติเจ้าได้สําเร็จมาผลนิพพานเป็นโกรธคาว่าโกชื่อหมายถึงท่าไหร่นา่าทราบเป็นแ้นแสนเป็นโกรนะแล้วมาเพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั่นแทศจรกระทั่งโพลป ร, รินิพาน ทั้งในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทยวปัญหากังตั้งแต่้งหกทุ่มร่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนําสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามมหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบันเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรรมดาธรรมดา เส้นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเดินธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเ ท, ทเวดาเทวดาชั้นต่างๆพระจักด้วยพระยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นจิ่นต่างๆนิมนมนุษย์ศัตรูทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักสุญาณของพระองค์ กับเราที่มาด้านดาวหรือคาดแผนีด้ ล, ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราเรียงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเห็นระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด ร, ระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตาพระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทรยมยนต์ตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจํากัดขอบเขต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 พระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทํานำภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันตรีผ่านไม่มีภาระใดที่จะหนักมากิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่ปเป็นไปด้วยอำนาจวิสัยของของศาสด า, ศ า, ศ า, ศาทำมาได้ตลอดทั่วถึงถ่านเพวกเราไม่ถึงแบงนั้น แม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวทั้งนี้ก็ยังล้มลุกคุกครานให้กิเลสปัญหาเหยียบย่าทําลายขี่รถเหยียรรถวันยังขำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหมวอยูบนทางจงกรมนั่งทอนน้ำก็ขี่รถเหยี่ยรรถอยู่สถานที่นั่งทอนน้ำนอนทอนน้ำก็ขี่รถเหยียรรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นเชื่อมเป็นฐานของกิเลสปัญหาทุกเรียวบทด้วยความไม่มีสติที่เห็นาเลยที มันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องท่งสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่ามานี่ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ทั้งสามโลกธาตุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเรา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 แล้วมันทำไมมันที่รถเยี่ยรถเราตลอดเวลา่าเราไม่มีความขยะขัแข็งต่อมันบ้างเอ่ยเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสวะมันขี่รถเยี่ยรถนั่งทำมันขี่รถเยี่ยรถตลอดมาในยาบททั้งสี่นี่จะเป็นส้วมเป็นฐานมันอยู่เหรอต่อไปนี้ควนพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันต้องขยัน ที่เราจะนํามาใช้สำหรับตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาชนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตลหันหรือพุทธบริษักรมหายตั้งแต่ข่านพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทําไมปราบมันได้เอามันมาเป็นส่วมเป็นฐานได้ขี่รดเยีย่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี่ลดเยี่ยวลดเราถ่ายเดี่ยวทําไมเราจะทําไม่ได้ทลิปมันทหามันเป็นส่วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเลย อพยายาม <info> นี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้ําห้องถักยองมันมองไปไหนมีทองน้ํามังค่าวห้องส่วมของกิเลสมันก็น่ากระโดดสังเรียเหมือนกันน่าเอาฟิตตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ในหวัวใจของเรานี่แหลอยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเรา ม้าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยที่มันแก้กออกทั้งออวากิเลสมาเป็นเร า, ถ, าถือกิเลสเ็งกิเลสถือกิเลสเป็นภันย่ะมันก็มีทางแก้กันได้หา <c oughs> อุบายพิจารณาแก้ไขตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่เสียงันนี้ขึ้นมาแล้วเทมาไปดูเราเลยถ้าพูดเรื่องการแก้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 โลกความโกรธความหวง่กิก่งก้านสาขามันแตกจริงแต่ก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเท่งไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญติบโตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดต้องขันต้องขันเพราะมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะ ม, มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมายกายกอนงนัคคกค่อยๆขับเขาหรือค่อย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 รู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉเคาะตัจจตังเมริตโบวินยุหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลาง็ น, นจุดที่จะตัดปัญหากับที่เหล็กอาสะวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตัง มาเลยพอสมควรได้รับาการอบรมจากอา จ, จารย์ทำเลยียศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยฟางครว่าจากครูจักอาตาการพอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิกตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับปัญญาของที่เลืซึ่งร้อยเล่ห์ทันเดี่ยวร้อยสรรพันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับันไหน ทีเล็ดขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี้เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอสุขไม่มีต่วยมีเน่าสุขอย่างสม่ํำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอกาลิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แะ ท่านเรียกว่าความถูกของปราดพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุกประเภทนี้สาวกอาราหันหันทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุกประเภทนี้ท่านจึงตอยวางความถุกโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาให้เพียงแต่สุดทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดหอหมดใดหมกป่าช้า มันต้องมาบกเยียนให้กายเกิดกันอยู่ไม่หยุดไม่ท้อยในกมุดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ที่อย่างว่าวัดตะวันไปวนมาตัดกรงจากวัดตะวันนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันรุน้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สนประภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉียดฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดในดก็ปล่อยไปหมดนี่ในายทำบทที่กล่าวว่า สมนานันจะรัดนังก็เข้าในติตดวงนี้แล้นี่บาลนัชจิกิริยาเอตัมมังคารมุตตะมังก็เช่นเดียวกันทำพันิพาณให้แ้งคือเวลานี้พันิพาณถูกปิดบังด้วยพิเดประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงา่าผ่าเผยขึ้นภาร จ, จิตใจแมน้นิดหนึ่งเลยท่าทิศน่าจะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่าง ส่งมาไม่เต็มที่จต็ามานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลายอมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปรง่งจิตใจนั้นจิตใจของเราที่ถูกที่เดือดคุ่มหอ่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันลอดโปร่งได้เลยนี่มิตการนั้นนั่นแหะทา่านอกให้ทำพันธุ์ในแจ้งพันธุ์พันหมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไร สิ่พระนิพพานยังแจ้งมาได้เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือพิเด่นนี้ทุกเกี่ยวบเหมือนความเมตต์ปิดบังพระอาทิตย์ธรรมละลงด้วยความเพียรท่องเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลําดับลําดั บ, ดบจนกระทั่งทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างพระจักรนี่ก็เอตัมมังคามุตตัมมัง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 แก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้กินขึ้นมาล้นลนแล้วธรรมะของบุรีเจ้าแม่ต่าง่เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่าําว่าไงเพราะนั้นเป็นคําสอนบุรีเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารพหลักใหญ่แล้วปีดย่อยเคารบไปหมดพระพุทธรูปกประตามจะเป็นอะไรก็าตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว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 นี่ธรรมรูปเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพระเจ้าเท่านั้นเราจะอย่าย่ำทำลายได้อย่างไรท่านว่ะเอาทําให้ดุจกรรมกับเราได้อย่างไรนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพระวัรวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอกให้ขนหนังสือขึ้นสูงสุให้หมด น, น, นั่นเลยนี่ลงเคารพถึงใจทุกอย่าง พอทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมตุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเกือบสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธ ร, รูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักด้วยตาความเคารพในอัตนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปท่ากระกาจายยนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น พอท่านได้มาโอ้โหนี่พระประจัยชนะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทยานออกแล้วเอายะพระปัจจัยนะนั้นเน็บไว้บนที่นอนท่านทั้งกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มี่ก็หมายแค่ไหนพระประจัยชนะจะมาทํำเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่หลเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็น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 โอ้อรักยุดเตะบ้างออะไรก็ดี